ข้อความเบื้องต้นชื่อหนังสือเรื่องนี้ที่ให้ไว้ว่ามหัศจรรย์ทางจิตดูเป็นชื่อที่โลดผลท่านผู้อ่านอาจตั้งปัญหาว่าข้าพเจ้านำเรื่องโลดผลอันไดมาให้อ่านข้าพเจ้าสารภาพว่าเรื่องมหัศจรรย์ทางจิตอยู่ในลักษณะโลดผลกว่าเรื่องใดๆที่เคยเขียนมาในทางจิตวิทยาอะไรที่ไม่กล้าเขียนในหนังสือเล่มอื่นๆได้นำมาเขียนไว้ในเล่มนี้แต่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเพราะชื่อเรื่องที่ให้ไว้ว่า มหัสจั์ทางจิตนั้นก็เป็นแต่เพียงความพยายามที่จะแปลคำอังกฤษว่า Miracle of Mind ซึ่งใช้กันดาษ ด, ดื่นในตำรา จ, จิตวิทยาที่เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและดูเหมือนไม่มีคำใดที่จะแปลได้เหมาะสมกระทัดรัดเท่ากับคำว่ามหัสจั์ทางจิตคำว่ามิร acle ก็ดีมหัสจัญทางจิตก็ดีหมายถึงสิ่งแปลกประหลาดเหนือความคิดทั่วไป พิสูจน์ให้เห็นด้วยตาหรืออธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆไม่ได้แต่ก็มีปรากฏการณ์ที่แสดงออกมาซึ่งเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเสียทีเดียววิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ได้เจริญก้าวหน้ามาแล้วมากหลายแต่ก็ยังไม่สามารถจะทำลายความเชื่อความเลื่อมใสในวิธีการรักษาโรคด้วยน้ำมนต์หรือด้วยการเซกเป่าที่เราเรียกว่าไสยศาสตร์มนุษย์ยังไม่หมดความเชื่อในเรื่องนี้ ความเชื่อความเลื่อมใสยังมีอยู่ทั่วไปและไม่ใช่แต่คนป่าถื่นไร้การศึกษาเท่านั้นในเมืองเราเองคนที่มีวิชาความรู้ได้รับการศึกษาอย่างใหม่ที่สุดและอยู่ในใจกลางพระนครยังยอมรักษาโรคด้วยเวทมนต์และยอมรับการบรดน้ำมนต์หรือพิธีการต่างๆจากอาจารย์ที่นิยมกันว่ามีเวทมนต์ขลังเพื่อโชคดีเพื่อความสาเร็จเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและบุคคลที่เป็นเช่นนั้นก็ไม่ปรากฏว่า ตกอับยากเข็นมีบุคคลชั้นเศรษฐีมหาเศรษฐีบุคคลชั้นที่สำเร็จการศึกษาในออกฟอร์ดหรือเคมบริดด์ยังยอมทำตนเช่นนั้นแล้วก็รุ่งเรืองจริงด้วยนายแพทย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งสำเร็จการศึกษาสูงสุดทางแพทย์จากมหาวิทยาลัยในเยอรมนีได้นั่งดูพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งรักษาคนเจ็บเป็นฝีในคอซึ่งเป็นโรคร้ายแรงสามารถจะทาให้ถึงแก่ความตายได้ในเร็ววัน วิธีรักษาก็คือเอาน้ำมันงา ม, มาตั้งไฟเคี่ยวจนเดือดมีความร้อนที่อาจจะทําให้เนื้อมนุษย์หรือเนื้อสัตว์สุกไปได้พระภิกษุรูปนั้นเอาใบพลูตักน้ํามันที่กําลังร้อนเดือดอยู่ความร้อนทําให้เกิดเสียงในขณะที่ใบพลูถูกน้ํามันเป็นเสียงอย่างเดียวกับที่เราเอากับข้าวใส่ทอดในกระทะน้ํามันที่กําลังเดือดพระภิกษุใช้ใบพลูนั้นตักน้ํามันใส่ในปากของท่านซึ่งตามธรรมดาปากและลิ้นจะพองไปหมด แต่ก็ไม่เป็นไรท่านพ่นน้ำมันนั้นที่คอคนเจ็บโรคฝีหายได้โดยวิธีรักษาแบบนี้นายแพทย์ผู้ใหญ่นั้นต้องยอมรับว่าการรักษาโรคด้วยเวทมนต์มีได้จริงนายแพทย์อเมริกันคนหนึ่งชื่อดรฮอนิกเบเกอร์ได้เขียนเล่าเรื่องที่ประสบด้วยตาของตนเองในอินเดียในแคว้นปัญจาามีคนเป็นโรครูมาติดปวดอย่างแรงร้ายไปหาหมอที่รักษาทางเวทมนต์หมอให้คนไข้นั่งและตัวเองก็นั่งตรงหน้าคนไข้ ถือกิ่งไม้เล็กๆกิ่งหนึ่งซึ่งหักมาจากต้นใหม่ๆและยังสดอยู่เอากิ่งไม้นั้นจี้ลงที่ที่เจ็บท่องมนคาถาซึ่งสำหรับนายแพทย์อเมริกันผู้นั้นก็ฟังเป็นเสียงป่าเถื่อนและหนวกหูท่องไปเป่าไปเป่าลงไปในที่เจ็บเป่าย่างแรงส่วนกิ่งไม้ที่ใช้จี้อยู่นั้นชั้นเดิมนายแพทย์อเมริกันเข้าใจว่าคงจะใช้เป็นยาหรือเป็นสื่อวงเล็บเปิดมีเดียมวงเล็บปิด ใช้มนเป่าเข้าไปสู่ตัวคนไข้แต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะหมอไม่ได้เป่าที่กิ่งไม้เขาเป่าตรงที่เจ็บเสร็จแล้วก็คว่างกิ่งไม้นั้นทิ้งไปห่างไกลการรักษาด้วยวิธีนี้ทําให้โรครูมาติดซึ่งร้ายแรงนั้นหายได้และนายแพทย์อเมริกันผู้นั้นต้องยอมรับว่าถ้ารักษาด้วยวิธีการอย่างสมัยใหม่ก็จะหายช้ากว่าวิธีเวทมนต์นายแพทย์อเมริกันได้ถามหมอผู้นั้นว่ากิ่งไม้นั้นใช้สําหรับทําอะไร หมออธิบายว่าสําหรับเรียกความเจ็บปวดออกจากตัวคนไข้เข้ามาไว้ในกิ่งไม้เรื่องเรียกความเจ็บปวดออกจากตัวคนเข้ามาไว้ในกิ่งไม้นั้นนายแพทย์อเมริกันไม่ยอมเชื่อแต่ต้องยอมเชื่อว่าเวทมนต์มีสมรรถภาพสามารถรักษาโรครูมาติดได้จริงนายแพทย์ฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อโสซีถูกส่งไปประจําอยู่ในประเทศอียิปต์และพยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการของเก่าของอียิปต์เกี่ยวกับเรื่องรักษาโรคด้วยเวทมนต์ ในบางครั้งตัวนายแพทย์โสซี่เองยอมให้หมอเวทมนต์ทดลองครั้งหนึ่งนายแพทย์โรซี่ปวดศรีรษะอย่างรุนแรงซึ่งถ้าใช้ยาสมัยใหม่ที่นายแพทย์มีอยู่เองก็อาจจะใช้ได้แต่ปรารถนาจะทดลองวิธีการแพทย์แผนโบราณของอียิปต์ซึ่งผูกมิตรกันไว้ดีแล้วจึงไปให้หมออียิปต์รักษาตามวิธีของเขาหมออียิปต์ได้ใช้แผ่นไม้มีขนาดกว้างราวหนึ่งฟุตสี่เหลี่ยมทาสีขาวเอาไม้แผ่นนั้นมาลากเขียนเป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนกัน ในช่องกลางและช่องมุมทั้งหกนั้นหมออียิปต์ได้เขียนตัวอักษรใส่ลงไปซึ่งนายแพทย์โรซี่ก็ไม่ทราบว่าเป็นอักษรข้อความว่าอย่างไรเสร็จแล้วหมออียิปต์เอาไม้แผ่นนั้นวางพิงเข้าไปที่ฝาข้างหนึ่งแล้วให้ในายแพทย์โรซี่ซึ่งกำลังปวดศรีรษะเพ่งดูแผ่นไม้นั้นนายแพทย์โรซี่ ได้ทำตามด้วยความตั้งอกตั้งใจเขาเพ่งแผ่นไม้นั้นและช่วยเวลาเพียงสองสามนาทีในตาของเขาเองก็มองเห็นตัวหนังสือต่างๆภายในขีดวงนั้นวิ่งวุ่นไปมาจนกระทั่งกลายเป็นจุดกลมดำซึ่งในชั้นแรกก็เป็นจุดเล็กๆแล้วก็โตขึ้นทุกทีเปลี่ยนรูปไปได้ต่างๆรูปนั้นไม่อยู่กับที่และเห็นเต้นไปเต้นมาในที่สุดก็มองเห็นสีกลายเป็นสีเทาและมัวไปเป็นหมอกความปวดศีรษะค่อยบรรเทาหาย รู้สึกเหมือนว่วงนอนและต่อมาอีกสักข้าวนาทีอาการปวดศรีรษะนั้นก็หายเป็นปลิดทิ้งซึ่งเขาก็ต้องยอมรับว่าถ้ารักษาด้วยยาของเขาเองจะหายช้ากว่าตัวอย่างต่างๆที่ให้มาข้างต้นเป็นแต่เรื่องรักษาโรคภัยไข้เจ็บส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องจูงจิตบังคับใจยังมีอีกมากมายความเชื่อของบุคคลซึ่งทําสิ่งเหล่านั้นได้เชื่อไปในทางอํานาจเบื้องสูงเช่นว่ามนที่เขาใช้นั้นได้มาจากพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้ ต่างแห่งก็ต่างมีพระเจ้าเหมือนๆกันแต่ในทางค้นคว้าที่ทํากันอยู่ในด้านวิชาการก็เชื่อกันว่าเป็นเรื่องอํานาจของดวงจิตคือดวงจิตที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีสามารถจะสร้างความมหัศจรรย์ขึ้นได้เรื่องมลก็ดีเรื่องอํานาจเบื้องสูงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ดีเป็นแต่เครื่องช่วยเครื่องยึดเหนียวเท่านั้นผู้ค้นคว้าในสมัยใหม่โดยทั่วไปลงความเห็นอย่างเดียวกันนี้ในทางลัทธิศาสนา มักจะกล่าวเกี่ยงแย่งแข่งดีกันว่าศาสนานี้เป็นศาสนาแท้จริงศาสนานั้นเป็นศาสนาเท็จและบางศาสนาก็มีลทัทธิแตกต่างกันมากแต่สิ่งหนึ่งซึ่งได้ผลมนเหมือนกันคือทุกศาสนามีวิธีอ้างพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตนมีเวทมนต์ที่ใช้ได้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งซึ่งวิทยาการสมัยใหม่ไม่สามารถจะปฏิเสธว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระมีเหมือนกันทุกศาสนา นักค้นคว้าสมัยใหม่จึงลงความเห็นว่าคงไม่ใช่เรื่องอำนาจเบื้องบนหรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์อะไรคงเป็นอำนาจในดวงใจของคนเรานี่เองทุกลทัทธิมีหลักเหมือนกันว่าผลจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีความเชื่อความนับถือถ้าไม่มีความเชื่อความนับถือเวทมนต์นั้นก็ไม่ได้ผลนี่ยิ่งเป็นข้อพิสูจน์มากขึ้นว่าเป็นเรื่องของใจโดยแท้จริงความเชื่อความเลื่อมใสทาให้กาลังใจมีมากขึ้น และใจนั้นเองก็สร้างความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์ทางจิตนั้นตามทางค้นคว้าของนักค้นคว้าสมัยใหม่ได้เพิ่มพูนความเชื่อถือมากขึ้นว่าอาจจะสร้างทําอะไรได้หลายๆอย่างอาจจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บอาจจะคุ้มกันอันตรายพิบัติอาจจะช่วยให้รอดพ้นจากความขับขันอาจจะนํามาซึ่งชัยชนะอาจจะสร้างเดชและอํานาจสร้างสง่าราศีความกล้าหาญ อ, องอาจให้คนนับถือยําเกรง อาจจะจุงจิตบังคับจิตคนอื่นทั้งเป็นตัวบุคคลและคนหมู่ใหญ่อาจจะส่งความคิดไปทางไกลซึ่งนักค้นคว้าในสหรัฐอเมริกาในสมัยปัจจุบันนี้เองก็สนใจค้นคว้ากันอยู่มากโดยเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหนังสือเล่มนี้ได้ดําเนินการค้นคว้าพิจารณาไปในทางนั้นดังข้อความในบทต่างๆที่ท่านผู้อ่านจะได้เห็นต่อไปนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในคริสตศาสนาคนหนึ่งชื่อแซงออกุสแตงได้กล่าวไว้ว่า เรื่องมหัศจรรย์นั้นไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกับธรรมชาติแต่เป็นสิ่งซึ่งตรงข้ามกับความรู้ทางธรรมชาติที่เราศึกษากันถ้าเราได้ทำการค้นคว้าทางวิทยาการเข้าจริงแล้วและค้นพบเหตุผลที่แท้จริงเข้าแล้วเรื่องมหัศจรรย์ก็จะหายกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเกี่ยวกับเรื่องมหัศจรรย์ทางจิตนั้นเราได้พบบ่อยๆแม้ในชีวิตปกติของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอำนาจของจิตที่มีเหนือร่างกายนิยายเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะมาจากเรื่องจริงก็ได้ เป็นนิยายที่เล่ากันทั่วไปในเมืองไทยเราเองแม้ในภูมิประเทศและหมู่คนมีการศึกษาพเพียงเล็กน้อยก็ยังเล่าเรื่องนี้กันมากคือเล่ากันว่ากองทหารกองหนึ่งหรือหมู่คนหมู่หนึ่งเดินทางกลางแดดไปในที่แห้งแลง้งไม่มีน้ำรับประทานนายทหารผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ารู้ว่าถ้าแข็งใจเดินอีกสักสองชั่วโมงจะได้พบที่พักอย่างสบายและมีน้ำให้รับประทาน แต่ทหารหรือคนเดินทางเป็นจำนวนมากอ่อนเพลียกระหายน้ำบางคนจนจะล้มลงไม่สามารถจะเดินต่อไปได้ในทหารหรือหัวหน้านั้นจึงร้องประกาศว่าแข็งใจเดินไปอีกหน่อยในไม่ช้าเราจะได้พบป่ามะม่วงมะขามมะเฟืองและอื่นๆที่ล้วนเป็นผลไม้เปรี้ยวจัดทั้งนั้นคำประกาศอันนี้ทำให้ทหารหรือคนเดินทางมีน้ำลายออกมาชุ่มคอความกระหายน้าลดน้อยลงไป และเดินทางไปถึงที่หมายได้เรื่องที่เล่ากันนี้อาจเป็นเรื่องจริงหรืออย่างน้อยก็เป็นความจริงตามธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ทุกชาติไม่ว่าฝรั่งหรืออะไรเมื่อได้เห็นหรือได้ยินพูดถึงของเปรีย้ยวย่อมจะเกิดน้ำลายเราเห็นเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์เพราะเกิดขึ้นแก่มนุษย์ได้เสมอแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความมหัศจรรย์ทางจิตเพราะดวงจิตที่นึกถึงของเปรี้ยวมีกําลังเหนือร่างกายทําให้มีน้ําลายขึ้นมาได้ ถ้ามนุษย์ช่วยกันคิดมากๆไปเราอาจจะได้พบวิธีการหรืออุบายอย่างหนึ่งอย่างใดที่ดีๆและเป็นประโยชน์มากๆก็ได้เรื่องเช่นนี้จึงสมกับที่แซงออกุสตางกล่าวว่าเรื่องมหัศจรรย์ไม่ใช่เรื่องตรงข้ามกับธรรมชาติแต่เป็นเรื่องตรงข้ามกับความรู้สึกของเราเท่านั้นเองนายแพทย์ดูแรนซึ่งประจำอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศฮอลแลนด์ได้กระทําการทดลองโดยให้ยาขนาดหนึ่งแก่คนไข้ซึ่งป่วยเป็นโรคอย่างเดียวกัน เป็นยาที่ดีแก่คนไข้ทุกคนแต่พอให้ยาหมดทั้งห้องแล้วอีกประเดี๋ยวหนึ่งนายแพทย์นั้นก็กลับเข้ามาในห้องแกล้งส่งเสียงเอะอะแสดงความตื่นเต้นเสียใจอย่างใหญ่หลวงว่าเป็นความพลั้งเผลออย่างร้ายแรงให้ยาแก่คนไข้ผิดไปยานี้จะทำให้เขาไม่สบายจำเป็นจะต้องทำให้อาเจียนมาเสียและอีกประเดี๋ยวเขาจะนำยาสำหรับทำให้อาเจียนมาให้รับประทานทุกคนพอพูดขาดคำคนไข้เกือบทุกคนมีอาการกระอักกระ่วน และหลายคนอาเจียนออกมาเรื่องอย่างนี้เราก็ไม่เห็นประหลาดใจเหมือนกันเพราะเราได้พบบ่อยๆเช่นในเวลารับประทานอาหารถ้าใครมาพูดถึงเรื่องของโศโครกให้เราได้ยินเราอาจจะรับประทานไม่ได้ต่อไปหรืออาจจะกระอักกระอ่วนอาเจียนออกมาได้ทั้งๆที่รู้อยู่ว่าของโสโครกนั้นไม่เป็นจริงเป็นแต่เรื่องใครมาพูดให้ได้ยินเท่านั้น เรื่องที่เล่าลือกันมาในกฤิดพงศวดานของฝรั่งเศสคือในสมัยนโปลเลียนที่สหญิงชาววังหมู่หนึ่งในราชสํานักของพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ชอบใช้ยาระบายของแพทย์คนหนึ่งซึ่งปรากฏว่ารับประทานง่ายและได้ผลดีในทางระบายท้องยานี้ต้องรับประทานทั้งขวดคือต้องรับประทานให้หมดขวดในเวลาใกล้ชิดกันและเป็นขวดใหญ่เสียด้วยแต่หญิงชาววังพวกนี้ก็ชอบรับประทานเพราะถึงแม้จะเป็นขวดใหญ่ก็ไม่มีความขืนขม หรือรับประทานยากลําบากอย่างไรในเวลานั้นประเทศฝรั่งเศสก็มีกฎข้อบังคับอยู่ว่าแพทย์ต้องจดลงไปให้แน่ชัดว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างยาศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้แพทย์ผู้ให้ได้ทําสลากปิดที่ขวดยาบอกส่วนผสมเป็นภาษาลาตินยาขนาดนี้หญิงชาววังหมูนั้นในสมัยนโปเลียนที่สได้ใช้เป็นยาระบายอย่างศักดิ์สิทธิ์มาตลอดเวลานานนานจนกระทั่งมีคนที่รู้ภาษาละตินมาเห็นเข้าและแปลให้ฟังพวกหญิงเหล่านั้นก็พากันไปถามแพทย์ ว่าคำนั้นถูกต้องจริงหรือไม่นายแพทย์ผู้ให้ยารับว่าแปลถูกต้องและตั้งแต่นั้นมายานั้นก็หายความศักดิ์สิทธิ์รับประทานเท่าไหร่ก็ไม่ระบายท้องอีกต่อไปเพราะส่วนผสมที่เขียนไว้เป็นภาษาละตินนั้นแปลความได้ดังต่อไปนี้น้ำบอที่ใส่สะอาด 68% อย่างเดียวกัน 17% น้ำกลั่น 5% ไม่มีอย่างอื่นอีก 9.4% อย่างเดียวกับข้างต้น 0.6% รวมความว่ายาระบายขนาดนี้คือน้ำเปล่านั่นเองนายแพทย์เอาน้ำเปล่าใส่ขวดให้แล้วแกล้งเขียนภาษาลตินไว้แลเห็นเป็นส่วนผสมมากมายหลายอย่างดูเป็นยาที่ศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงน้ำทั้งขวดนั้นก็มีคุณภาพในการระบายท้องอยู่เหมือนกันแต่ผลที่ได้จากยาขนาดนี้คือความเข้าใจว่าเป็นยาจริงๆ การกระทำของนายแพทย์อย่างนั้นไม่ใช่เป็นการหลอกลวงแต่เป็นการทดลองเรื่องมหัสัจจ์ทางจิตเท่านั้นและก็ทดลองได้ผลสำเร็จด้วยมีคนเป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีซึ่งเมื่อเห็นคนร้องไห้ก็ร้องด้วยโดยที่เรื่องนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวหรืออาจจะไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยก็ได้ตัวอย่างเช่นคนที่ไปในงานศพซึ่งในชั้นแรก ก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าสลดอะไรแต่ถ้ามีคนมากๆมาร้องไห้ให้แลเห็นก็อาจจะพาให้น้ำตาไหลออกมาหรือร้องไห้ไปด้วยได้เคยมีตัวอย่างที่สตรีบางคนซึ่งมีการศึกษาดีมีสติสมบูรณ์แต่ถ้าพบใครร้องไห้เข้าก็อาจจะร้องไห้ด้วยโดยยังไม่ทันถามให้ทราบว่าเขาร้องไห้กันด้วยเรื่องอะไรการทดลองซึ่งอาจจะทาได้ง่ายที่สุดในเรื่องมหัศจรรย์ทางจิตนั้นคือลองเอาของเล็กๆที่มีน้าหนักพอสมควรผูกกับเชือก ถือด้วยมือของเราเองคือถือที่เชือกนั้นอาจจะเป็นนาฬิกาพกที่มีสายหรือลูกดิ่งที่ผูกเชือกหรือของเล็กอันใดอันหนึ่งที่มีน้ำหนักพอแกว่งไปมาได้เมื่อเราถือเชือกไว้วางข้อศอกไว้บนโต๊ะพยายามทำมือให้นิ่ง ตั้งใจแน่วแน่ว่ามือของเราเองจะไม่ช่วยให้ของนั้นแกว่งไกวแต่ให้เราเพ่งตาดูของสิ่งนั้นและนึกบังคับให้มันแกว่งไปและให้กลับแกว่งไปข้างหน้าข้างหลังให้หยุดและให้เปลี่ยนทางแกว่งอีกเมื่อไรก็ได้ของสิ่งนั้นจะปฏิบัติตามคำสั่งแห่งดวงจิตของเราทดลองเพียงชั่วประเดียวเดียวก็จะได้เห็นผลอันนี้ความจริงของนั้นแกว่งไปด้วยมือของเราเองทั้งทั้งที่เราตั้งใจแน่วแน่ไว้ในทางหนึ่ง ว่าจะไม่ให้มือเราช่วยให้ของนั้นเคลื่อนไหวเลยมือจะอยู่นิ่งเฉยแต่อีกทางหนึ่งดวงจิตเราบังคับให้ของนั้นแกว่งความบังคับให้แกว่งมีกำลังแรงมากอาจจะทำให้ประจาทของมือช่วยทำให้ของนั้นแกว่งไปทั้งทังที่เราตั้งใจมั่นอยู่ว่ามือเราจะอยู่เฉยๆที่รู้ว่าเป็นด้วยมือของเรานั่นเองก็เพราะว่าถ้าเราเอาของนั้นไปแขวนไว้ที่ประตูหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วนั่งบังคับให้มันแกว่ง มันจะไม่แกว่งไปตามใจของเราเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็ดูไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์อะไรแต่เป็นวิธีหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ทางจิตวิทยาสอนให้ทําเพื่อสร้างอํานาจบังคับให้แก่ดวงจิตทั้งๆที่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของมือเราเองก็ทําให้เกิดความรู้สึกอันหนึ่งที่เชื่อความมหัศจรรย์ของดวงจิตและเป็นเบื้องต้นแห่งการฝึกจิตเพราะทําให้เริ่มเลื่อมใสในอนุภาพจิตขึ้นวิธีอย่างเดียวกันนี้มีคนเอามาใช้เป็นของเล่นสนุกที่เรียกกันว่า เข้าผีถ้วยแก้วหรือโต๊ะผีคือคน2อถึงสคนเอามือจุดลงที่ถ้วยแก้วใบเล็กๆหรือเงินตราหรือโลหะอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งวางอยู่บนแผ่นกระดาษที่เขียนตัวหนังสือไว้เป็นตัวๆถ้วยแก้วหรือโลหะนั้นจะแล่นไปตามตัวหนังสืออ่านได้เป็นข้อความซึ่งกลายเป็นคําทํานายอย่างนั้นอย่างนี้และไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้ผลักไสการที่ไม่ยอมรับนั้นไม่ใช่อุบายหลอกลวง แต่อาจาเป็นความเชื่ออย่างแท้จริงว่าถ้วยแก้วหรือโลหะนั้นเดินไปเองวิธีเล่นอย่างนี้เล่นกันทั่วไปซึ่งความจริงสิ่งที่เคลื่อนไหวไปนั้นก็ด้วยมือของคนเองเพราะถ้าเอามือออกเสียถ้วยแก้วนั้นก็ไม่เดินเลยการที่มือคนเคลื่อนไหวไปก็เพราะความปรารถนาที่อยากจะให้มันเคลื่อนทั้งๆั้งที่เชื่อหรือมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทําให้เคลื่อนมันก็เคลื่อนไปยิ่งผู้ที่เล่นบ่อยๆทําบ่อยๆจนเกือบจะกลายเป็นมีเดียมหรือคนทรง ย่อมจะทำให้เกิดผลได้รวดเร็วและถ้อยคำได้จากตัวหนังสือนั้นบางทีก็แปลกประหลาดมหัศจรรย์เสียด้วยในคำพีอัทเวศมีมนบทหนึ่งซึ่งถือกันมาแต่โบราณการดึกดำบรรว่าถ้าสวดท่องเข้าแล้วก็จะทำให้หลับนักค้นคว้าของฝรั่งเศสได้ลองเอามนบทนั้นมาแปลดูข้อความในมนบทนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะทาให้เพลิดเพลินหรือกล่อมใจถึงกับจะทาให้นอนหลับ ตรงข้ามกลับเป็นเรื่องของโคใหญ่มะหือมามีกําลังแหล่ดุร้ายสําแดงเดชต่างๆซึ่งควรจะเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความตื่นเต้นแทนที่จะนอนหลับน่าจะทําให้หัวใจกระสับกระสายวุ่นวายแต่ผู้ที่นับถือมนนี้เมื่อสวดเข้าประเดี๋ยวหนึ่งก็หลับไปเขาใช้เป็นมนที่สะกดตัวเองเสียด้วยซ้ําเป็นอันเข้าใจว่าสิ่งที่ทําให้บุคคลหลับนั้นไม่ได้อยู่ที่ข้อความของมนแต่อยู่ที่อํานาจจิตซึ่งต้องการจะหลับ มนนั้นใช้แต่เพียงเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ประกอบกับความเชื่อว่าเป็นมนสักศิทธิ์มาจากเทพเจ้าเบื้องบนสําหรับทําให้คนหลับเลยหลับไปได้เรื่องเหล่านี้เป็นความมหัศจรรย์ไม่ใช่ความมหัศจรรย์ของเวทมนต์หรืออํานาจศักดิ์สิทธิ์อันใดแต่เป็นความมหัศจรรย์ทางจิตเท่านั้นวิลเลียมวอนรูสบล็อกซึ่งได้ไปอยู่ในสํานักของจีนก่อนเปลี่ยนการปกครองเป็นมหาชนรัฐได้แลเห็นด้วยในตาของตัวเองว่า ครั้งหนึ่งมีสตรีในราชสํานักของจักรพรรดิจีนคนหนึ่งป่วยเป็นโรคซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรแพทย์ทั้งหลายพยายามรักษาก็ไม่ได้ผลเพราะจับสมุดฐานของโรคไม่ถูกต้องไปเอาพระภิกษุรูปหนึ่งมาไล่มนสะกดให้หลับหลับอยู่ตลอดเวลาสามวันสามคืนพอตื่นขึ้นมาก็ถามบ้าฝันอะไรบ้างสตรีผู้นั้นบอกความฝันเกี่ยวกับสมุดฐานของโรคได้ถูกต้องและแพทย์ก็ทําการรักษาได้ถูกต้องจนกระทั่งหายเป็นปกติเรื่องเหล่านี้ เป็นความมหัศจรรย์ทางจิต